บุ <Book> ๊กทูสิบหกสึกุฮึสึกุฤดูและอากาศยิเชสมยิเชฮันฮึฤชีวอมยิซุเท็ดยิเชสมยิเชฮันฮึฤชีวอมยิ นี่คือฤดูมุฮัรือิชัมอิชาันุฮัร์ิชชัมอิชชานันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนราท์อมัฟราท์อมัฟฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว บจัฮะอะจิชิมาฟฤดูร้อนอากาศร้อนห์มาฟัมจูรก์รกพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูรอ้อนหมาฟัมตูรแกปซ์ คิปสในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นกรมาฟมตจเซกุฮานรติัสกมาฟมตเซกุฮานรติัสฤดูหนาวอากาศหนาวชิมาฟัรชอิมาฟรชอ ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน หนาวชอะอฝนกำลังตกวชกชค์ชวคชกชคมีลมแรงจิบระจบอพุนฟาบฟาบ แดดจัดทุกบ์ทุท้องฟ้าโปร่งวุชอวอชอวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเงปววมดยเ่ิตเปวมปวมสุดยืดเยืตวันนี้อากาศหนาว เียบเฉยวันนี้อากาศอบอุ่นเีบฟับเฟับ